ย้อนกลับมาที่เรื่องมุสาวาตอีกนิดนึงว่ามุสาวาตนั้นมีองค์สี่คือเรื่องไม่จริงตั้งใจจะพูดให้ผิดจากความเป็นจริงแล้วพยายามพูดผู้อื่นเข้าใจอย่างที่ตัวเองบอกแต่เขาเชื่อหรือไม่เชื่อนี่อีกเรื่องหนึ่งนะไม่จําเป็นว่าคนนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เขาเข้าใจที่ที่คนนั้นบอกไม่ได้แปลว่าเขาต้องเชื่อเสมอไปแต่เขาเข้าใจว่าที่คนบอกไม่ไแปลว่าอะไรเช่นก็บอกเห็นนกไหมบอกไม่เห็น เขาก็นั่งทาตาไปปริบบอกไม่เห็นอย่างเงี้ยหมายว่าเขาเข้าใจเลยว่าคนนี้ยพูดหมายคำว่าบอกเขาบอกว่าเขาไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเขาเห็นอย่างเงี้ยนะพระลักษณะเนี่ยหมายว่าไม่จําเป็นว่าคนฟังเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เขาเข้าใจว่าที่คนพูดเนี่ยจะพูดอะไรอย่างคิดนอย่างเด็กชอบรักสตังเนี่ยนะเด็กรักสตังมาเองรักจริงหรือเปล่าบอกไม่ได้รักเขาก็รู้อยู่แล้วว่ารักแล้วก็บอกว่าไม่ได้รักหรอกอย่างเงี้ยเพราะนั้น แปลว่าไม่รับสารภาพตามเป็นจริงนะเขารู้แหละเออนี่ไม่รับสารภาพตามเป็นจริงเป็นต้นนะีสรุปว่าเขาพูดอะไรแล้วคนที่ฟังเข้าใจนั่นแหละเป็นโทษของมุสาเรื่องไม่จริงตั้งใจพูดให้ผิดพยายามพูดแล้วเขาเรียกว่าสื่อจนผู้ฟังเขาเข้าใจแต่ถ้ามันซับซ้อนมา ก, ก น, นะอธิบายจนไม่รู้ว่าพูดอะไรถ้าอย่างนี้ก็ไม่ครบองค์วกไปวนมาเวียนไปเวียนมาฟังแล้วปวดหัวสรุปว่า เห็นหรือไม่เห็นอย่างเงี้ยนะคุยไปคนละเรื่องเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมบอกเออมื่อวานเนี่ยนะไปเที่ยวที่โน่นบกไปวนมาสรุปเห็นหรือไม่เห็นก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้เป็นต้นถ้าอย่างนี้ต้องตอบไม่ตรงประเด็นเนี่ยนะคุยกันคนละเรื่องเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ครบองค์แห่งมุสาวาตต่อไปไป็นสนาวาจาส่อเสียดส่อเสียดนี่เป็นยังไง วาจาที่เป็นเหตุให้หัวใจของผู้ที่ตนพูดด้วยเกิดความรักตนและเกลียดชังคนอื่นชื่อว่าปิสุณาวาจาเช่นว่าปิสุณาวาจาเนี่ยโดยโดยทั่วๆไปหมายถึงการพูดถึงคนที่สามพูดถึงคนที่สามว่าถ้าเราพูดถึงคนที่สามให้ให้เสียหายคนนั้นน่ะเขาจะแตกแยกกันหรือเราจะเป็นที่ที่รักของคนที่เรากําลังพูดด้วยอยู่มากเพราะะฉนั้นเหตุผลแห่งการ มุสาปิสุณาวาจามีอยู่2 อ, อย่างคือให้สองคนนี้มันแตกกันซะแล้วให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนที่คนนั้นเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละปิสุณาวาจาแล้ก็จะปิสุณาวาจานี่สิ่งที่พูดอาจจะจริงนะแต่ตั้งความประสงค์ไว้ไม่ดีะนะเช่นเขาเขามีความเลวอย่างนั้นอย่างนั้นเก็บข้อมูลความเลวให้สองคนนี่มันแตกกันซะ เป็นต้นเนี่ยนะอาจจะเรื่องที่พูดนี่จริงก็ได้ไม่ไม่จําเป็นว่าต้องไม่จริงจริงแต่ว่าวัตถุประสงค์สําคัญคือต้องการให้เขาแตกแยกกันอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างเช่นอยากให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันเห็นอ่าเห็นอ่ะผู้ชายไปเดินกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะที่บบอาจจะไปธุระไปอะไรกันก็ใช่แต่ว่าไปพูดเนี่ยเขาเป็นยังงั้นยังงั้นฉันเชื่อว่าเติมสีสันให้ไปเนี่ยนะในที่สุดเขาก็แตกแยกกันนั้นคําพูดที่ประสงค์ให้เขาแตกแยกกันขาดความสา ม, มัคคีกันนั่นแหละเป็นปิสุณาวาจา Ā ā ปิสุนาวาจ า, นจาเนาาีเป็นวาจาส่วนพุสววาจาเป็นคําพูดที่หยาบคายเป็นวาจาที่หยาบคายเพราะไม่เพราะหูไม่ชวนชื่นในการฟังชื่อว่าพุสววาจาแม้แต่ตัวเองเนี่ยคนอื่นพูดคําเดียวกันกับตัวนี่จะฟังหรือเปล่านั่นแหละรู้ว่าถ้าคนอื่นพูดคําเดียวกันมาให้ตัวได้ยินแล้วตัวเองไม่ชอบเลยนั่นแหละคําพูดนั้นได้ว่าพุสววาจาซึ่งตัวเองยังไม่อยากฟังคนพูดยังไม่อยากจะได้ยินจาก คำพูดของผู้อื่นที่พูดนั่นแหละเรียกว่าคำพูดนั้นเป็นพุสวาจาวาจาเยี่ยงขวานเยี่ยงจอบเนี่ยนะเป็นคําพูดที่หยาบมากเหมือนอะไรแก่ยะอะไรนะแย่เข้าไปในหูเอาฟันเลื่อยแย่เข้าไปในหูเนี่ยนะขนาดสําลีขัดหูยังแหมยังเจ็บปวดเลยนะถ้าเอาใบเลื่อยเข้าไปจะขนาดไหนจะก้าบัวกันแล้วกันนะตะปุ่มตะปามันนะ เ อ, เอาต้นกุหลาบกัแล้วกันหนึ่งนะปั่นหูยังไงลักษณะนั้นส่วนคําพูดเพ้อเจอก็คือเป็นคําพูดที่เพ้อเจอะไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าไปเรื่อยเจตนาที่ตัวเพ้อเจอก็คือคําพูดไร้ประโยชน์สรุปว่าพูดอย่าพูดเพ้อเจอเจตนาที่เป็นสมุดฐานที่ทําให้พูด เสอเสียดพูดคำอยากพูดเพอเจอร์เจตนาเหล่านี้ประสงค์เอาทั้งกายทวารวจีทวาเนี่ยนะเททยาเพอเจอร์สอเสียดเนี่ยพวกนี้เน้นตัวเจตนานะตัวเจตนาเป็นหลักเจตนาเป็นเหตุให้ทําชั่วเจตนาเป็นเหตุให้พูดชั่วอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปิสุณาวาจาสอเสียดอีกว่าเจตนาของผู้มีจิตเศร้าหมองที่เป็นสมุดฐานแห่งกายประโยคและวจีประโยค เพื่อทำลายชนเหล่าอื่นหรือเพื่อประสงค์จะทำให้ตนเป็นที่รักชื่อว่าปิสุนาวาจารในวจีกรรมใจนิเศร้าหมองใจนิคิดไม่ดีละหมายความว่าใจมีปัญหาก็เลยทำลายให้เขาแตกแยกกันซะเช่นใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมอนนพูดให้คนอื่นเขาแตกแยกกันปิสุนาวาจานั้นก็แล้วแต่ว่าไปยุยงส่งเสริมให้คนที่แตกแยกกันนั้นมีคุณธรรมแค่ไหน บาปที่สุดก็คือทําสงให้แตกกันเนี่ยปิสุณาวาจาที่ทําให้สงแตกกันเนี่ยบาปที่สุดในบรรดาอากุศลธรรมทั้งหลายถ้าไปทําให้คนมีศีลเขาแตกแยกกันนี่ก็มีโทษมากสุดแท้แต่คุณธรทำว่าไปทําให้คนเขาแตกแยกกันทําให้ใครแตกแยกกันอ่ะถ้าผู้มีคุณเท่าไหร่เขาเขาเลิกสามัคคีกันที่ไหนเราพูดกันจนเขาขาดความสามัคคีได้อันนั้นชื่อว่าปิสุณาวาจาเพราะคําพูดนี้ถือว่ามีโทษมาก ปิสุนาวาจานี้มีองค์สี่คือผูอ้ต้องถูกทําลายด้วยคนอื่นผู้ต้องถูกทําลายด้วยคนอื่นมุ่งหน้าจะทําลายด้วยประสงค์ว่าคนเหล่านี้จะแตกแยกกันวิธีนี้คนเหล่านี้แตกกันหมดแหละหรือตัวเองจะได้เป็นที่รักเป็นที่คุ้นเคยแก่เขาด้วยวิธีการแบบนี้ความพยายามที่เกิดจากความตั้งใจนั้นคนอื่นคนที่ฟังนี่เขเข้าใจเลยถ้ายิ่งเขาแตกแยกกันด้วยก็ยิ่ง มีโทษมากเยนะอันเวลากรรมเหล่านั้นให้ผลเนี่ยตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็แตกแยกกันไปมีที่ไหนก็อยู่ที่ไหนก็มีปัญหาไปหมดเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องเรื่องไม่น่าแตกแยกกันก็แตกแยกกันเรื่องไม่น่าจะขัดคอกันก็มีแต่ความขัดคอกันเป็นต้นเนี้เพราะผลของปิสุนาวาจาเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนก็สังคมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ไม่ดีเลยและมีแต่การยุแยงตะแคงรั่ว ยุแยงตะแคงรั่วไปไหนะมียุกันไปยุกันมาเสียอนะส่อเสียดกันไปส่อเสียดกันมาเอกพูดหนึ่งก็พูดอีกความเลวให้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดความเลวอีกคนหนึ่งแล้วก็พูดวกไปวนมาซะจนมันมันแตกแยกกันไปหมดขาดความรักขาดความสามัคคีพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการที่ดูหมิ่นและเหยียดยามลักษณะส่อเสียดอีกอันหนึ่งก็คือการพูดเหยียดยามอีกฝ่ายหนึ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้ ให้อีกครั้งหนึ่งรังเกียจอีกคนหนึ่งที่สุดเนี่ยนะทีเรียว่าบางทีเนี่ยมันร้าวนิดๆเนี่ยนะโอ้ยเป็นแง่แงแง่ซะจนมันท่วมทะลักไปหมดเลยนะบางทีเขาเลวนิดเดียวใส่สีซะเลวเลวจนคบไม่ได้เลยทําไมอะไรจะเลวปานนั้นเป็นต้นเนี่ยนะทำผูดที่พูดเกินลักษณะเนี่ยสอเสียดให้เขาในที่สุดเขาก็แตกแยกกันนะแม้กระทั่งสอเสียดเนี่ยนะบางคนนี่สอเสียดให้พ่อแม่ก็แตกแยกกันได้ อันนะให้พ่อกับลูกแตกแยกกันได้ให้แม่กับลูกแตกแยกกันได้ให้พี่ให้น้องแตกแยกกันได้คำพูดจนพ่อแม่แตกแยกกันพี่น้องแตกแยกกันพ่อกับลูกลูกกับแม่เป็นต้นแตกแยกกันได้คำพูดนั้นเรียกว่าสอ่อเสียดไปพูดซะจนเขาเข า, เขาแตกแยกในครอบครัวทําให้ครอบครัวมีปัญหาสังคมเดือดร้อนพวกนี้แหละส่อเสียดพรรท่าไปทําส่อเสียดในสังคมผู้มีศีลก็มีโทษมากส่วนคําพูดหยาบแหะ คำพูดหยาบก็คือวาจาที่เป็นเหตุให้ตนเองบ้างคนอื่นบ้างหยาบคายวาจาที่หยาบคายเพราะไม่เพราะหูและไม่ชื่นใจต่อผู้ฟังผู้ฟังฟังไม่ชื่นใจคำพูดหยาบนั้นเช่นว่าบางทีคำพูดหยาบแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งไม่เพราะหูสองไม่ชื่นใจบางทีนเสียงนี่เพราะมากแต่ว่าไม่ชื่นใจะนะ คำพูดที่อะไรนะไม่เพราะหูอันนี้ก็เป็นคำหยาบอย่างหนึ่งสองคำพูดที่ฟังเพราะมากแต่ว่าไม่ชื่นใจเลยสํานวนว่าด่าแบบอะไรนะด่าแบบ um, ฟังดีเหลือเกินเนี่ยนะฟังดีมากเลยนะแต่ว่าถูกด่าตลอดเลยนะฟังแล้วเครียดเลยนะก็อย่างแบบสมัยก่อนเลยคําสั่งข่าบางคนคก็เอาออกไปเออเอาไปพักผ่อนได้แล้วนะหมายถ้าสมมติว่าเขาถูกปลดเนี่ยนะเขได้เวลาพักผ่อนแล้ว คำพูดนี้หยาบนะไม่ได้ว่าคำพูดดีหมายว่าด้วยเรื่องบางเรื่องในะเช่นเอาไปหลับให้สบายอย่างนี้เลยเอาให้เข้าไปพักผ่อนให้ถาวรเลยนะแล้วว่าคําสั่งข้าประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นคําหยาบเพราะคนที่ฟังแล้วตัวเองพอใจไหมไม่พอใจเพรามันถ้อยคําใดที่พูดออกไปแล้วขนาดผู้พูดเองยังไม่ต้องการจะได้ยินได้ฟังคํานั้นคําพูดนั้นแหละเรียกว่าคำพูดที่หยาบใครหยาบมากนะอย่าเอาไหมล่ะ ให้คนอื่นมาพูดคําเดียวกันสับนี้ก็พูดย้อนกลับมาหาตนเนี่ยนะเป็นเงาสะท้อนกลับมาตัวเองยังไม่อยากฟังคําพูดที่แป่งออกไปลักษณะ น, นั้นเรียกว่าเป็นคำหยาบเนี่ยนะเป็นคําหยาบเป็นคําที่ไม่เป็นอัดเป็นรำเป็นคําที่สร้างแต่ความเสียหายสร้างแต่ความเจ็บช้าน้ําใจเนี่ยนะส่วนเพอ้อเจอ้อละ่ะวาทะหรือวาจาเป็นเหตุให้เพอ้อเจอ้อคือไร้ประโยชน์เรียกว่าสัมผัสประลาปากพูดเพอ้อเจอนั้น ที่คำพูดที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่เขาอธิบายสับไปสับมาคละเคล้ากันไปหมดเลยนะทีนี้พูดถึงย้อนมหาพุทธสวาจาในหน้า552อีกครั้งหนึ่งเจตนาที่หยาบโดยส่วนเดียวที่เป็นสมุทฐานแห่งกายประยคกและวจีประโยคกเป็นเหตุตัดรอนความรักของคนอื่นชื่อว่าพุทธสวาจา คำว่าผู้สวาจานั้นเป็นคำพูดที่ตัดความรักตัดความเยื่อใยกันเลยนะส่วนคำพูดที่ไม่ได้ประสงค์จะตัดความรักบางทีก็ไม่ได้เป็นผู้สวาจาระยกตัวอย่างเช่นแม่ด่าลูกว่าเด็กคนหนึ่งไม่เชื่อถ้อยคำของมารดาคืนไปเที่ยวป่ามารดาไม่สามารถจะให้เขากลับได้ก็เลยด่าว่าขอให้แม่กระบืองดุนะควายป่าจงใกล้ขิดมึงนะภายหลังเด็กคนนี้ก็ไปป่าพอไปป่าก็ได้เห็นกระบือจริงๆ พออยู่ในที่นั้นเด็กก็ทําสัจจะกิริยาว่าคุณแม่ของข้าพเจ้ากล่าวอย่างไดด้วยปากขออย่าเป็นอย่างนั้นแต่คิดอย่างไดด้วยใจก็ขอให้เป็นอย่างนั้นคืออย่าเป็นอย่างที่ปากแม่ว่าแต่อยากให้เป็นอย่างที่ใจแม่คิดบางคนเนี่ปากกับใจไม่ตรงกันใช่อย่างเช่นด่าว่าขอให้ควายนี่มันขิดให้ตายเลยนะใจจริงๆแม่ก็ทั้งกรีบบัวก็ยังไม่ให้ตกเสียขอให้ตกใส่ด้วยซ้ําไปใจจริงนี่เป็นอย่างนั้นเพราะความ รักมากแต่ว่าพันพู้สวาจานั้นน่ะเป็นคําพูดที่ว่าพูดอย่างนั้นแล้วใจเนี่ยมุ่งอย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นภาษาทางธรรมเรียกโอมาสวาวัสดเป็นปาจิตีในพระโอมาสวาวัสดหมายว่าพูดคดาําด่าด่ากระทบชาติกระทบตระกูลกระทบผิวพรรณรูปร่างสารพัด ท, ที่เรียกว่าขุดขึ้นมาดา่าเนี่ยให้สร้างความเสียหายกับอีกฝ่ายหนึ่งเท่าใดนั่นแหละเป็นพูาา้สว ajan คำพูดที่หยาบ อันคำพูดที่เป็นผู้สวาจานั้นเป็นคำพูดที่ลักษณะตัดความรักตัดความเยื่อใย ห, หรือแม้กระทั่งว่าถ้าจิตอ่อนโยนไม่เป็นผุ้สวาจาแต่ถ้าจิตหยาบกระด้างถึงจะพูดเพราะขนาดไหนก็เรียกว่าเป็นผุ้สวาจาย้อนกลับมาที่บอกว่าผุ้สวาจาเนี่ยนะถ้อยคำไม่เป็นประมาณนะถ้าหากว่าพูดด้วยจิตที่อ่อนโยนก็ไม่เรียกว่าเป็น พุทวาาัสดอาจจะใช้คําหยาบเช่นว่าพ่อแม่พูดกับลูกว่าขอให้โจรนี่ฟันให้ขาบสองท่อนหรือบางทีเนี่ยอาจารย์ด่าลูกศิษย์นะนะอาจารย์อุปชาว่าลูกศิษย์ว่าพวกนี้พูดอะไรไม่มียางไอายไม่มีฮิริโอตบะไล่ออกไปนะคําพูดแบบนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่เรียกว่าพุทวาาัสดิ์นยนะฟังอาจจะไม่ดีแต่ว่าใจจริงท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นใจจริงก็มุ่งหวังแต่ความเจริญก็เลยบอกว่าอาจารย์และอุปชาเหล่านั้น ยังปรารถนาสมบัติคืออาคมปริยัตและก็ต้องการให้ลูกศิษย์บรรลุมรคผลอยู่เสมอทําำไงศิษย์จะเจริญด้วยปริยัตและปฏิเวทํายังไงศิษย์จะได้ทรงจําคําสอนปฏิบัติจนได้บรรลุมรคผลวจีประโยคไม่เป็นผู้สวาจาเพราะผู้พูดมีจิตอ่อนโยนถ้าใจดีใจอ่อนโยนจะใช้คํำยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่จะไม่เป็นผู้สวาจาเพราะพูดถ้อยคําอ่อนหวานก็หาไม่ได้ ถ้าจิตใจหยาบแท้จริงจะพูดเพราะขนาดไหนก็เรียกว่าพุทธสวาจาเช่นพูดคำพูดของผู้ประสงค์จะให้ตายเช่นบอกให้คนคนนี้แกจงให้คนนี้นอนให้สบายเนี่ยเป็นพุทธสวาจายอย่างเดียวก็แปลว่าเอาไปฆ่าซะเพราะอะไรเพราะถือว่าใจของผู้พูดนั้นเป็นจิตใจที่หยาบ ก, กระด้างนนะประสงค์จะฆ่าพุทธสวาจจานี้ก็แล้วแต่ว่าพูดกับคนที่มีคุณน้อยบาปน้อย บาปน้อยพูดกับคนมีมีคุณธรรมมากก็บาปมากแล้วแต่ถ้าว่าคนมีศีลก็บาปมากถ้าว่าคนไม่มีศีลก็บาปน้อยแต่ก็ไม่ใช่ไม่บาปนะพฤะสว a j a นี้มีองค์สามคือผู้ที่ถูกด่าเป็นคนอื่นคือไม่ด่าตัวเองถ้าด่าตัวเองก็ไม่เรียกว่าพระสว a j a นะด่าคนอื่นแล้วก็ใจขุนเคืองแล้วก็ด่าออกไปส่วนสัมผัสปลาปะคือเจตนาที่เป็นอกุศลความจงใจที่เป็นอกุศล ที่เป็นสมุดฐานแห่งกายประโยคและวจีประโยคที่ยังผู้อื่นให้เข้าใจคำพูดที่ไร้ประโยชน์เชื่อว่าสัมผัสปลาปะสัมผัสปลาปะนี้โทษมากโทษน้อยอยู่ตรงไหนบอกว่ า, วาอาเสวนะถ้าซ่องเสพมากบาปมากถ้าซ่องเสพน้อยบาปน้อยแล้วว่าถ้าเพิรเจอร์ทั้งวันก็บาปมากนะถ้าเพเจอร์น้อยก็บาปน้อยพูดมากก็บาปมากพูดน้อยก็บาปน้อยสุดแท้แต่พูด ก็เรื่องมันไม่เป็นประโยชน์นะนะก็ว่าไปเรื่อยชเช่นร้องเพลงอะร้องมากก็บบาปมากร้องน้อยก็บบาปน้อยอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ที่ซ่องเสพนะอยู่ที่ซ่องเสพสัมผัสประลา ป, ปะนั้นมีองสองคือมุ่งหน้าที่จะพูดถ้อยคำที่ไร้ประโยชน์เช่นสงครามพระตะเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเรื่องรักนางสีดาในรามาเกียรติเนี่ยูอยู่นั่นนะพวกเล่านิยายทั้งหลายแลเนะนีนะ่ยลักษณะนั้น แล้วก็พูดถ้อยคาพูดเหล่านั้นออกมาถ้าพูดมากก็อย่างว่าอยู่ที่คําพูดแหละพูดมากก็บาปมากพูดน้อยก็บาปน้อยส่วนอภิชานโนกรรมบ้างนะอภิชาอภิชาคือเจตนาชื่อว่าอภิชาพิชาเพราะเพ่งเล็งเนี่ยองค์ธรรมยิงๆคือโลภะใช่ไหมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มุ่งหน้าเพ่งเล็งเฉพาะพันดะของผู้อื่นแล้วน้อมเข้ามาเป็นของตน รู้นะของผู้อื่นเช่นเห็นคอมพิวเตอร์คนอื่นแล้วน้อมเอามาเป็นของเราเห็นของของคนอื่นน้อมมาเป็นของเราเห็นสมุดปากกาดินสอข้าวของเครื่องใช้อะไรเขช่างที่เรียกว่าเป็นคนอื่นแล้วน้อมมาเป็นของตนอันนี้เรียกลักษณะของอภิชาอภิชานั้นมีลักษณะอภิชานั้นมีลักษณะเพ่งเล็งพันดะของผู้อื่นว่าทําฉน ái น้อของสิ่งนี้พึงเป็นของเรา ไงจะเป็นของเราให้ได้เลยนะจ้องนั่นแหละจ้องเอามาเป็นของตนเนี่ยนะอภิชานั้นชื่อว่ามีโทษน้อยโทษมากก็เหมือนกับอธินนาทานถ้าจ้องจะเอาของคนดีคนมีศีลก็มีโทษมากถ้าของคนไม่มีศีลก็มีโทษน้อยอภิชามีองค์สองเนี่ยนะของของผู้อื่นมีจิตน้อมมาเป็นของตนแค่สองอย่างนี่นะเห็นรู้เรื่องของนี่ของใครแล้วก็น้อมเอาของคนนั้นมาเป็นของเราถ้าน้อมอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ครบองคแล้ว อธิบายว่าถึงจะเกิดความโลภที่มีพันดะของผู้อื่นตั้งขึ้นกรรมบทก็ยังไม่ขาดจนกว่าจะน้อมมาเพื่อตนว่าฉะไหนเนาของสิ่งนั้นพึงเป็นของเราถ้าเห็นของคนอื่นนะสวยดีชอบอยากได้แต่ถ้ายังไม่คิดว่าของนั้นจงเป็นของเราเมื่อไหร่นะก็ยังไม่ครบองอาจจะชอบก็ชอบไป ด, ดูดูสวยก็สวยไปอะไรไปก็เป็นโลภะแต่ถ้าน้อมมาเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ก็กรรมบทแตก เปิดประตูอาบายสําเร็จงัดท้ประตูอาบายเปิดทิ้งไว้ตรงนั้นเลยนะจริงๆกำบวชทุกข้อเนี่ยนะถ้าทําไว้ท้งที่ไหนมันก็เปิดประตูอาบายไว้แถวนั้นเต่ไปหมดเลยส่วนพยาบาทพยาบาทบามั่งมากมโนกรรมนะัพยาบาทว่าบาปประธรรมที่ชื่อว่าพยาบาทเพราะยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ถึงความพินาศพยาบาทนั้นมีลักษณะดูร้ายเพื่อความพินาศของผู้อื่นพยาบาทนี้มีโทษมากเหมือนพุสวาจา พยาบาทมีองค์สองคือสัตว์อื่นคิดให้สัตว์อื่นพินาศเคยแช่งไหมลักษณะคำแช่งอะ่ละลักษณะนะั้นพยาบาทแช่งในใจหรือแช่งออกมาทางวาจาก็ตามเช่นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ปั๊บก็แช่งเลยเป็นต้นเนี่ยนะคำพูดนี้ก็เป็นพยาบาท เ, เป็นพยาบาทนะครบองค์กรรมบทนะเช่นไปซะไปอะไรก็ว่าไปพวกนี้พยาบาททั้งนั้นนะครบองค์กรรมบทญนะพูดนะั้นเราเปิดประตูอบายให้ตัวเองสําเร็จแล้วนะ ก็โกรธมากเลเสียงมอเตอร์ไซค์บาดหูมากก็เลยแช่งไปเลยนะพวกนี้ก็บาปนะถึงจะเกิดความโกรธที่มีสัตว์อื่นเป็นที่ตั้งกรรมบดก็ไม่ขาดจะโกรธเฉยๆเนี่ยนะยังยังไม่ขาดกรรมบดยังไม่ครบร่วงกรรมบดตลอดเวลาที่ผู้โกรธยังไม่คิดให้สัตว์อื่นพินาศถ้าคิดว่าจงพินาศจงสาบสูญจงตายชักอะไรก็ว่าไปทําพูดประเภทนี้แหละเรียกว่าพยาบาทครบองนะบางคนนี่เปิดประตูนรกไว้เยอะเลยนะวันๆหนึ่งนะ แช่งคนนั้นทีว่าคนโน้นทีแช่งคนโน้นทีเป็นต้นทําให้โกรธแช่งชักตัวนั่นแหละพวกนี้ครบองละจริงพยาบาทเนี่ยนะบาปมากกว่าอย่างอื่นนะแช่งในใจได้ทั้งวันใช่แช่งไปเรื่อยก็บาปไปเรื่อ ย, อยนะส่วนสุดท้ายมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเห็นผิดนะนะเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่ถือเอาตามที่เป็นจริง มิจฉาทิฐินั้นมีลักษณะเห็นผิดโดยในเป็นต้นว่าการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลก็คือพว้อหิยตุกะทิฐิอกิริยะทิถินัิกะทิฐิทั้งหลายปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธเหตุแห่งความดีความเจริญปฏิเสธเหตุแห่งบาปแห่งอกุศลก็คือไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อผลบุญผลบาปไม่เชื่ออะไรซากอย่างลักษณะนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฐิ มิจฉาทิถิที่ดิ่งแน่นอนเนี่ยมีโทษมากที่ไม่ดิ่งมีโทษน้อยหมายคือว่าถ้าเป็นแน่นอนนิยตามิจฉาทิถิเนี่ยบาปมากถ้าไม่แน่นอนไม่ดิง่งนะปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปแต่บางคนนี่ดิ่งเลยนะปฏิเสธแบบดิง่งบางคนก็ไม่ดิ่งอะไรถ้าที่บายดีก็พร้อมที่จะแก้ไขนันมิจฉาทิถิมีโทษมากเพราะดิ่งลงไปแบบนั้นจนถึงขนาดว่าไม่เปลี่ยนแปลงมีโทษน้อยเพราะว่าแก้ไขได้นี่นะ มิจฉาทิฏฐิมีองค์สององค์ประกอบสองคือเรื่องที่ผิดไปจากอาการที่ถือเอาผิดจากอาการที่ยึดถืออาการปรากฏขึ้นแห่งเรื่องนั้นโดยไม่เป็นอย่างที่มิจฉาทิฏฐิบุคคลยึดถือยึดถือตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนะคือค้ายๆกับพวกหลงทิศคําว่าหลงทิศคือเข้าใจทิศผิดไปลักษณะนั้นแหละมิจฉาทิฏฐิก็เป็นเหมือนกับคนหลงทิศนี่แหละ มันก็คนหลงทิศถือเอาตรงกันข้ามเสมอมมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยยึดถืออะไรจากตรงกันข้ามจากความเป็นจริงโทษมากโทษน้อยก็อยู่ที่ว่ายึดมากก็บาปมากยึดน้อยก็โทษน้อยพระพุทธเจ้าบอกว่ามิจฉาทิฏฐิมีโทษมากที่สุดในบรรดาโทษทั้งหลายบรรดาอกุศลกรรมบดมิจฉาทิฏฐิมีโทษที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าถ้ามีมิจฉาทิฐิแล้วมิจฉากัมมันตะได้ไหมได้มิจฉาวาจาก็ได้ พ ม, มิชาทิฏฐิอย่างเดียวเนี่ยนัตามมาด้วยบาปอย่างอื่นอีกเยอะๆไปหมดเลยเนี่ยมาดูองค์วิจัยวิจัยถึงอากุศลกรรมบททั้งอาการ5อย่างนะอาการหอย่างมีอะไรบ้างโดยธรรมโตโดยโกฏาสะโดยอารมณ์โดยเวทนาแล้วก็โดยมูลโดยมูลหอย่างนั้นข้อแรกก่อนนะโดยธรรมธรรมะคืออะไรอย่างเช่นข้อหนึ่งถึงข้อ7เนี่ยนะ เจตนาในการทำปาณาติบาตเจตนาในการทำมธินาทานเจตนาในการทําการเมสุมิฉาจารเจตนามุสาวาจเจตนาปิสุณาวาจาเจตนาเพื่อพฤทวาจาเจตนาเพื่อสัมผัสปลาปะเจข้อแรกนั้นเป็นเจตนาตรงตัวเป็นตัวเจตนาเพราะนั้นตัวบาปอยู่ที่ตัวเจตนาเจตนาฆ่าไหมเจตนาลักไหมเจตนาประพฤติผิดไหมเจตนาพูดเท็จําอย่าเพื่อเจ้าส่อเสียดไหมมัน โดยธรรมะสภาวะธรรมคือตัวเจตนาส่วนกรรมบทสข้อหลังเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประกอบกับเจตนาไม่ใช่ตัวเจตนาเพราะว่าอภิชาก็เป็นโลภะใช่ไหมอภิชาคือโลภะพยาบาทก็คือตัวโทสะมิจฉาทิฏฐิก็ตัวทิฏฐิมั้น เ, เป็นตัวที่ประกอบกับเจตนาไม่ใช่ตัวเจตนาอันนี้วิเคราะห์โดยธรรมะนะเข้อแรกเป็นเ จ, เ, จเจตนาที่เหลือก็เป็นสิ่งที่ประกอบกับเจตนา โดยโกฏิาษาเนี่ยนะส่วนส่วนส่วนในที่นี้หมายเช่นว่าส่วนอยู่ในกลุ่มภาษะปัญจกะเป็นต้นนะนะ ถ, ถ้าผู้ที่เรียนอภิธรรมมาจะเข้าใจว่าอยู่ในกลุ่มไหนหมายคือว่ากรรมบทเจข้อตามลําดับและนิชชาทิตรวมเป็นแปดเนี่ยเป็นกรรมบทแต่ไม่เป็นมูลมูลกับกรรมบทนี่คนละข้อใช่ไหมมูลนี่คืออะไรคือเหตุปัจจัยอะ่ะพันเจดข้อแรกเนี่ยเป็นมูลเอ่อเป็นกรรมบท เขาเป็นเจตนากับเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นกรรมบดแต่ไม่ใช่เหตุปัจจัยเพราะไม่ใช่มูลมูลคือรากเง้าอะนะส่วนอภิชากับพยาบาทเป็นทั้งกรรมบดด้วยเป็นทั้งมูลด้วยล่วงกรรมบดด้วยเป็นรากเงาแห่งความชั่วด้วยอธิบายว่าเพราะรากเง้าอภิชาจึงเป็นโลภะอกุศลมูลพยาบาทเป็นโทสะอกุศลมูลวันเจ็ข้อแรกเป็นกรรมบดคือเป็นประตูนรกแต่ไม่ได้เป็นมูล สองข้อละอภิชากับพยาบาทเป็นทั้งกรรมบดประตูนรกด้วยเป็นรากเงาแห่งความชั่วด้วยโดยอารมณ์ปนานปฏิบัติมีอะไรเป็นอารมณ์เวลาฆ่าเนี่ยมีเจตมีสังขารเพราะมีชีวิตดินซีเป็นอารมณ์อธินาทานนี่มีทั้งสองอย่างคือมีสัตว์เป็นอารมณ์หรือมีสังขารเป็นอารมณ์ก็รักสัตว์ใช่ไหมรักวัวรักควายเป็นต้นเนี่ยนะตั้งใจรักสัตว์เลยอะหรือไม่ก็รักสังขารปารบรักสีรักเสียงรักสภาวะธรรมนั่นนะ ส่วนมิจฉาจารย์เนี่ยนะการมีสุมิจฉาอาจารย์มีสังขารเป็นอารมณ์เพราะมีโพติภพเป็นอารมณ์อาจารย์บางพวกกล่าวว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์มุสาวาตผู้เทศเนี่ยนะมีสัตว์เป็นอารมณ์ก็ได้มีสังขารเป็นอารมณ์ก็ได้ปิสุณาวาจาก็เหมือนกันมีสัตว์เป็นอารมณ์ก็ได้มีสังขารเป็นอารมณ์ก็ได้ส่วนพุทธวาจาพูดคํำหยาบนั้นมีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวสัมผัสปราปะมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมี นะเพอเจอร์ ur, ถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงโทสะถพาถึงธรรมารมณ์เพอร์เจอร์ได้หมดอ่ะนะอะไรมั่งเก็บมาเพอเจอร์ไม่ได้ใช่ไหมอ่ยดอกกุหลาบดอกเดียวเนี่ยคุยอยู่นั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นก็ว่างั้นเพอเจอร์เนี่ยมันเพอเจอร์ได้หมดอ่ะนะได้จากทุกเรื่องดินฟ้าอากาศลมฟ้ามหาสมุทรเอามาเพอเจอร์ได้หมดอ่ะนะถึงถนนหนทางบ้านช่องอะไรเพอเจอร์ได้หมดเลยอภิชานี้เหมือนกัน แข่งแรงน้องมาเป็นของตนเนี่ยอะไรก็น้องมาเป็นของตนได้หมดอ่ะนะทรัพย์สินเป็นต้นพยาบาทมีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวนะคิดแช่งนะไม่ใช่ไม่ใช่คิดลักษณะแช่งสังขารแต่ว่าแช่งในสัตว์มิจฉาทิฐิมีสังขารเป็นอารมณ์เพราะมีธรรมในภูมิสามเป็นอารมณ์โด ย, เ ว, เ, ยนะเวทนาเนี่ยนะเวทนาเนี่ยเจตนาในการฆ่านั่นอ่ะนะนะนะปานาติบาตเป็นทุกขเวทนา เสียใจนะเจตนาในขณะฆ่าเพราะพระราชาทั้งหลายเห็นโจรถึงจะทรงกระยิมหัวเราะร่ารับสั่งว่าเอามันไปสังหารอย่างนี้ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นเจตนาที่เป็นตัวการที่ตกลงพระไทยของพระราชาเหล่านั้นเป็นเจตนาที่ประกอบด้วยทุกขพระราชานี่ดีจะให้มากเลยนะโอ้จับโจรมาหนะ้าเอามันไปฆ่าเจตนาที่ตัดสินใจว่าฆ่าซะอันนั้นเนี่ยประกอบด้วยทุกเนี่ยถึงจะหัวเราะร่าเหมือนสนุกก็ตามแต่ก็เจตนานั้นทุกขมากเนี่ยนะ อย่างคําสั่งทําสงครามเนี่ยไม่ใช่ถึงจะสนุกสนานไพเราะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกมากเพราะเจตนาที่ขณะที่บอกสั่งออกไปนะั้นะทุกอธินาธานไม่มีเวทนาสามขณะที่ขโมยเนี่ยนะดีใจก็ได้เสียใจก็ได้เฉยๆก็ได้การเมสุมิจฉาจาร์บางทีก็สุขกับเฉยๆบางครั้งบางทีก็มีความสุขบางทีก็เฉยๆแต่ไม่ใช่มีเวทนาเป็นอุเบกขาเพราะจิตเป็นตัวการให้ตกลงปลงใจมุสาวาต โกหทั้งแบบอะไรนะดีใจก็ได้เสียใจก็ได้เฉยๆก็ได้เพ้อเจ้อก็เหมือนกันเออสอเสียดเนี่ยสอเสียดแบบอะไรนะขนาดสอเสียดดีใจเสียใจหรือเฉยๆก็ทําได้หมดอะนะพูดคําหยาบนี่เสียใจอย่างเดียวใจใจเสียอย่างเดียวจึงจะพุสวาาได้เพ้อเจ้อนี่ก็ดีใจเสียใจอ่ะนะพูดไปหัวเราะไปขาไปพูดไปร้องไห้ไปอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดอ่ะอภิชาสุขก็ได้อุเบกขาก็ได้มิจฉาทิฏฐิก็สุขก็ได้อุเบกขาก็ได้แต่พยาบาท เป็นทุกอย่างเดียวยนะขณะที่โกรธเนี่ยทุกอย่างเดียวโดยมูลโดยมูลคือรากเงา่ารากเงา่านั้นปาณาติบาตมีมูลสองคือโทสะกับโมหะรากของความชั่วขณะฆ่าเนี่ยนะเอาขณะฆ่านั้นมีโทสะกับมีโมหะอธินาทานก็มูลสองมูลสองเข้ามาสลับคู่กันก็ได้เช่นบางขณะบางครั้งก็โทสะกับโมหะบางครั้งโลภะกับโมหะแต่ทุกครั้งต้องมีโมหะหมด ขณะที่รักเนี่ยทุกครั้งต้องมีโมหะหมดเอาแล้วบางคนเนี่ยเอ๊ะรักมันใช่วางแผนตั้งมากมายเนี่ยนะทำไมจึงเรียกว่ามีโมหะเหมือนฉลาดมากเลยนะวางแผนสําเร็จอันนั้นเรียกมิจฉาญานะเป็นชื่อของโมหะโมหะนี่อย่าคิดว่าโ ง, ง่นะมันไม่รู้อริยสัจอยู่อย่างเดียวที่เหลือมันรู้หมดอะรู้วิธีคดวิธีกกงวิธีปล้นวิธีทําทุจริตวิธีรู้หมดอะเว้นแต่ไม่รู้อริยสัจไม่รู้กรรมและผลของกรรม ไม่รู้ดีรู้ชั่วส่วนวิธีการทําบาปมันคิดได้หมดเรียกว่าโมหะนะมิจฉาญานะมันโงอหะไม่ใช่นั่งหลับนิ่งซึมไม่ใช่นะมันรู้หมดว่าจะต้องฆ่ายัางไงฆ่าได้มากฆ่าได้เยอะฆ่าอย่างวิจิตพิศดารฆ่าแบบไม่ผิดกฎหมายเป็นต้นอะไรมันคิดเป็นหมดนะนะพวนี้เรียกโมหะทั้งนั้นเลยเรียกว่ามิจฉาญาณนะการเมสุมิจฉาจารมีมูลสองคือโลภะกับโมหะมุสาวาตก็โลภะโทสะโมหะได้หมดอนะ่ะ ปิสุณาวาจาพุทธวาจาก็ปิสุณาวาจาสัมผัสปลาปะก็โทสะโมหะหรือว่าโลภะบวกโมหะพูดคำหยาบนั้นโลภะกับเอิบเข้าไปพูดคำหยาบนั้นเป็นโทสะกับโมหะอภิชาอภิชาเดียนะตัวความโลภมีมูลเดียวคือโมหะมีรากอยู่รากเดียวขณะที่โลภนะเพราะตัวเองไม่เป็นรากให้ตัวเองก็เลยมีมูลเดียวคือโมหะพยาบาทก็มีมูลเดียวคือโมหะ มิจฉาทิฐิได้สองรากเลยโลภะกับโมหะอกุศลธรรมที่ชื่อว่าโลภะเพราะอยากได้ที่ชื่อว่าโทสะเพราะประทุษร้ายที่ชื่อว่าโมหะเพราะหลงอันนี้หมายถึงอกุศลมูลและตอนแรกรู้ชัดอกุศลว่าเป็นอกุศลในสัมมาทิฏฐิรู้อกุศลว่าเป็นอกุศลรู้ชัดอกุศลและรู้ชัดมูลแห่งอกุศลหรือที่เรียกว่าอากุศลมูลอกุศลมูลมีสามอย่างคือโลภะโทสะและ โมหะโลภะคืออยากได้โทสะปรททุสร้ายโมหะหลงลักษณะของโลภะเนี่ยนะลักษณะติดในอารมณ์โทสะก็ได้ว่าเผาผลาญอารมณ์คิดปรททุสร้ายอารมณ์ส่วนโมหะเนี่ยลุ่มหลงในอารมณ์ไม่รอบรู้อารมณ์ตามเป็นจริงอกุศลมูลสามอย่างนั้นโลภะชื่อว่าเป็นอากุผลมูลเพราะตัวมันเองเป็นทั้งอกุศลเพราะอะไรเพราะตัวมันเองมีโทษให้ผลเป็นทุกข์ ขณะเดียวกันมันเป็นทั้งรากเง่าของอาคุศนแลธรรมเหล่านี้ด้วยเป็นรากเง่าของอกุศลคือมันเป็นอุปนิสัยแห่งการทําปานาติบาตก็ได้ความโลภเป็นเหตุให้ฆ่าก็ได้ความโลภเป็นเหตุให้ลักให้ปล้นให้โกงอะไรเป็นต้นก็ได้ความโลภเป็นเหตุให้ผิดกาเมีเป็นต้นก็ได้เพราะผนเป็นรากเง่าของอาคุศนแลธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นเพราะอัตถะว่าเป็นสภาพแห่งสัมปยุตธรรมของอาคุสล่งเรา และเพราะอัตถะว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยของอกุโสลธรรมบางเหล่าอย่างที่พระสารีบุตรกล่าวว่าคนผู้กำหนัดคือคนที่โลภแล้วถูกราคาครอบงามแล้วมีจิตถูกราคะรัดริงแล้วย่อมฆ่าสัตว์มีชีวิตก็ได้เพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะติดใจในรถเนี่ยนะอย่างเพราะติดใจในรถเนี่ยฆ่าสัตว์ได้ไหมติดใจในในในในสัตว์บางอย่างก็ถึงกับลงมือฆ่าเองเพื่อจะได้กินสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะ พันความโลภเป็นปัจจัยให้ฆ่าก็ได้ให้ปล้นก็ได้ให้ทำบาปได้ทุกชนิดเพันโลภโทสะโมหะจึงเป็นอกุศลมูลเพราะเป็นเหตุแห่งความชั่วร้ายสารพัดอย่างเนี่ยนะสารพัดอย่างพราะความเลวร้ายที่ที่เกิดขึ้นมาในโลกนะถ้าเราสาวหาเหตุเนี่ยสาวไปเถอะมันจะมาจากโลภโทสะและโมหะเท่านั้นนะ่ยโลภโทสะโมหะนั่นแหละเป็นปัจจัยถ้าไม่มีโลภโทสะโมหะเนี่ยนะความเลวร้ายเหล่านั้นจะไม่มีเลย พันธะไม่มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยจะมีนกมีนรกมีเปรตอสุรกายเดรฉาาันเป็นต้นมีไหมนี่มีก็เพราะมีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลแห่งรากเง่าให้ทําชั่วพันความชั่วเหล่านั้นให้ผลก็ไปสู่อบายทุกคติวินิบาตและนรกเนี่ยนะพันสรุปใจความว่าอาคุศลถ้ารู้จักอกุศลเพราะขณะที่อาคุศลเกิดขึ้นมีโทษใช่ไหมมีโทษยังไงโทษในปัจจุบันและสำปรายพพบโทษในชาตินี้ด้วยโทษใน ชาติหน้าด้วยขณะที่อกุศ ล, ลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นก็ทําลายตนทําลายผู้อื่นและทําลายทั้งสองฝ่ายมีโทษเพราะทําลายกุศลสารพัดอย่างขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเจริญกุศลไหมขนาดนั้นก็เสียหายทําลายจากกุศลสารพัดนั้นอกุศลเหล่านี้ถ้ารู้ชัดจริงๆว่าอากุศลเป็นทุกขสัจจะอกุศ ล, ลมูลเป็นสมุทยาสัจจะเนี่ยนะก็เป็นทุกข์กับเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่ไหลสืบเนื่องไปในสังสารวัฏ ถ้ารู้จักทุกและเหตุแห่งทุกจรเนี่ยจะต้องรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยใช่ไหมจึงจะเรียกว่ารู้จริงก็คือรู้จักความดับทุกขและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขคนที่จะรู้จักความมืดดีพอคนนั้นจะต้องเข้าใจความสว่างฉันใดคนที่รู้จักอากุศลมูลอากุศลอกุศลมูลจะต้องรู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอากุศลและอกุศลลมูลคือนิโรธกับมครคนั่นเองเดี๋ยวพักสักก่อนได้ไหมครับใครต่อกุศลมูล